สเปสังขารานิชจาสังขา ร, าารคือร่างกายจิตใจแล้รู้ธรรมธรรมทั้งหมดทั้ ง, งสิ้นผ่านไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรู้ธรรมทรรม ที่มาหมายทั้งตังวท่านที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่คนรหรืว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอนุวันชีวิตา ชีวิตตั้งเมอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยวมาระังมีทิยฐตังรางกายของเราเป็นของเที่ยงวันตางวันที่จะสังเวชกายกายโยร่างกายานี้อาชีรังที่ได้ตั้งอยู่นานอาเภทวิญญาณ การิกรานิวังการดูดดังว่าต้นไม้และต้นเบืนนีราาัตาหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจวัตสัมขาราสังขารสังายไม่เที่ยงนอภูอปาระวายังนทำไม่นอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสิอมไปเม็นทม I look.